นปติปสัมเพตพระอัฐารสกะว่าด้วยองค์18ของภิกษุที่สง์ไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรมหมวดที่ 1. ภิกษุทั้งหลายสง์ไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือ 1. ให้อุปสมบท 2. ให้นิสัย 3. ใช้สามเณรอุปถาก 4. รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ยังสั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แหละ หมวดที่2ภิกุทุทั้งหลายสงไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงปฏิสารณียกรรม 2. ต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกัน 3. ต้องอาบัตที่เลวทามกว่านั้น 4. ตํหนิ ก, กรรม หาตำหนิภิกษุผู้ทากรรมภิกษุทั้งหลายสงฆ์ไม่พึงระงับปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหละหมวดที่ 3. ภิกษุทั้งหลายสงฆ์ไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8คือ 1. งดอุโบสถแก่ปกกัตตะภิกษุ 2. ง, งดปวาราณาแก่ปกกัตตะภิกษุ 3. ทำการไต่สวน 4. เริ่มอนุวาธาธิก่อน 5. ขอโอกาสภิกษุอื่น 6. โจทย์ภิกษุอื่น 7. ให้ภิกษุอื่นให้การ 8. ชักชวนกันก่อความทะเลาะ ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แหลนับปฏิปัติสามเพตตพะอัฏฐารสกะในปฏิสารณียกรรมจบ